ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถตรงทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาะโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเร า, าเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ยกับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตบว้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพ ร, โรง เป็นที่โล่งๆว่างกลวงภายในใคล้ายคๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่า ง, างกลวงภายในใคล้ายๆท่อแก้ว ทอเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกทบทวนสิ่งที่ได้แนะนำเอาไวนะ้เมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าจิตหยาบนั้นให้ตรึกถ้าจิตละเอียดก็ให้แตะ มีแต่ตรึกกับแตะตรึกคืออะไรตรึกก็คือการนึกถึงภาพดื่แก้วใสๆละแก้วใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับ เราลึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะสมมติเราถนัดนึกดวงแก้วก็นึกดวงแก้วถนัดนึกองค์พระก็นึกองค์พระหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจยงเจนตาดึกถึงสิ่งนั้น เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกอย่างสบายๆนี่แหละเรียกว่าตรึกให้ใจของเรานะมีหลักยึดจะได้ไม่สัสดสายไปคิดเรื่องอื่นเพราะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับมา้าพาย ด, ดินล่นที่จะวิง่ง ไปตามอำเภอใจของตัวเพราะฉะนั้นวิธีปราบมาพยศวิธีหนึ่งก็คือผูกเอาไว้กับหลักไปไหนไม่ได้พอมันมันเหนื่อยมันหมดแรงเข้ามันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจก็เหมือนกันที่แบบไปแบบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาผูกไว้กับหลัก อย่างสบายๆผูกไว้โดยการนึกจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรแต่เรามั่นใจว่าไม่นึกเป็นภาพพระใจไม่ฟุง้งแต่นี่สําหรับคนใจฟุงนะ้งต้องมีหลักยึดควรจะเป็นภาพ แล้วก็มีเสียงประกอบคือคำภาวนาสมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปจนกว่าใจใจะหยุดจะ น, นิ่งซึ่งจะต้องใช้ทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นตรึกไว้เรื่อยนั่งตรึกยืนตรึกเดินตรึกนอนตรึก วิ่ง e x e r ซ์ s e ออกไซา์ออกขรกาก็ตรึกไปด้วยใหม่ๆ ม, มันก็นึกใหม่ออกก็ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ภายในพอต่อไปก็ค่อยๆนึกได้โลๆลหลังๆก็ตรึกไปเรื่อยๆผูกใจเอาไว้ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำหล่าซ้ำแล้วซ้ำหล้ว หมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ตึกไปเลยเลยควบควบูคบ่กับภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปพอใจมันหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการก็เราลืมคำภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น หรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆถ้ามีอาการหรือรู้สึกอย่างนี้ mm. ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้หยุดใจ ไปที่กลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปไปที่ฐานที่หกซึ่งห่างกันอยู่แค่สองนิ้ว ม, มืออยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับเดียวกับสะดืนะ้นก็จะไปยกดวงธรรมด้วยใจไอลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจดภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นดวงลอยขึ้นมาจากฐานที่หแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจดเป็นดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรมานุภัสสนาติปทาน ดวงธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมมักแปลว่าเบื้องต้นจะจะไปสู่อายตนานิาพานเมื่อดวงธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละแปลว่าใจเราละเอียดแล้วนับจากดวงธรรมนี้ไปนะ่เป็นต้นไปให้แตะใจไปเบาๆแค่ละแตะเบาๆ ดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปเลยแล้วจะเข้าไปสู่ข้างในตรงจุดกึงกลางใสๆเล็กๆเท่ากับปลายเข็มหรือเท่ากับดวงดาวในอากาศแตะใจเลื่อยไปเลยแตะไปเบาๆมันก็จะเข้าไปเองนจนกระทั่งเห็นกายในกาย องพระในองพระเพราะฉะนั้นอย่าไปตรึกละเอียดให้แตกจำสองคำเอาไว้อย่าไปตรึกละเอียดให้แตะและทานตรึกนี่ต้องให้มีสติสบายสม่ำเสมอสติสบาย สมองเสมอเดี๋ยวมันจะหยุดเองถูกส่วนไปเองนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะทีนี่แม้จะตรึกก็ตามเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการตรึกให้สังเกตอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเนี่ย จะทำงานอะไรหรือจะเล่นอะไรก็ตามจะทำงานจะเล่นกีฬาซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเกิดชันทะขึ้นมาซะก่อนคือมีความพึงพอใจมีความสุขสนุกกับการเล่นนั่นอเอาแค่เอาใบยมุกเนี่ยสมมติเราเล่นไพ่ นั่งมาได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีห้องน้ำก็ไม่เข้าข้าวก็ไม่กินนั่งเป็นจะโจมงจะโมงเหมือนก้นติดกาวอย่างดีไว้กับพื้นน่แหละมันมีได้มีเสียมีรุ่นเพราะฉะนั้นก็เราทึกใจได้ก็ลิงโลดใจเสียก็เสียดายทรัพย์ เราก็ทาว่าก็ไม่ได้เสียได้เสียได้เสียสรุปตอนสุดท้ายเสียแต่เราก็เพลินกับมันมีความพึงพอใจเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียแต่ตอนสุดท้ายหายนะเพราะว่ามีลุ้นมีได้มีเสียเนี่ยเราเกิด ค, ความพึงพอใจจึงไม่เบื่อจะเล่นกอล์ฟก็มีความสุขในการเล่น มีลุ้นในการตีในสําหรับคนเล่นออกกําลังกายเป็นกีฬานะถ้าเป็นการมานันการอัมีลุ้นมีได้มีเสียมันก็เพลินเกิดความพึงพอใจก็ไม่เบื่ อ, อฟุตบอลก็เหมือนกันดูบอลมีลุ้นมีได้มีเสียสรุปตอนสุดท้ายกับหายนะนะเพราะลุ้น และมีได้มีเสียมก็ไม่เบื่อมีความพึงพอใจสนุกเราเป็นสุขกับการได้ดูนั่งธรรมะคลายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายสว่างเอติยยกตัวอย่างวันวันฝ่ายมืดสังเกตนะลูกนะสังเกตนะไม่ว่าเราจะวางใจไว้ที่ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยทีเดียวก็ได้หรือวางจากฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าดูตรงนี้ไม่ว่าจะได้เป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ตามสมมติไม่เป็นภาพเราวางอารมณ์อย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้พึงพอใจไม่สังเกตตรงนี้ก่อน พึงพอใจไม่้าพ่พึงพอใจมันก็ไม่เบื่อในการนั่งจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่เบื่อเลยแถมมีความรู้สึกกับหมดเวลาเร็วเดือซ้าไปอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้านึกเป็นภาพอนึกอย่างนี้แล้วมันไม่ ไม่กดลุกในตาไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับใจรู้สึกสบายแม่บางครั้งเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนั่งแล้วรู้สึกหน้ายิ้มยิ้ ม, มเบิกบานมีความพึงพอใจเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ไม่คำนึงถึง ไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในโลกมาให้ความสำคัญต่อสิ่งใดนอกจากดวงหรือองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมีความยินดีที่จะอยู่กับสิ่งนี้แค่นี้เท่านั้นรู้สึกสบายบายพึงพอใจตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่เบื่อ ถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่เบื่อถูกวิธีอย่างนี้ทาเรื่อยไปนะลูกนะแต่ถ้าเบื่อนั้นแสดงว่าเริ่มผิดวิธีแล้วเริ่มรุนเริ่มเร่งเริ่มเพ่งเริ่ ม, ม, มจ้องเริ่มไม่ถูกวิธีลืมตาเลยนะลูกนะลืมตาเลยลืมตาแล้วหายใจสบายๆดูโน่นดูนี่ดูดวงแก้วดูองค์พระ ดูหลวงปู่ดูคนใหญ่ดูทิวทัศน์ดูอะไรก็แล้วแต่ให้มันหายเบื่อให้ยเซ็งหรือไม่ก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาให้มันหายเบื่อหายเซ็งให้มันสดชื่นพามันรู้สึกความมันสบายใจมีอารมณ์อยากนั่งเอากลับมันนั่งใหม่แล้วก็เริ่มท้นใหม่อย่างง่ายๆ ตรงนี้แหละสาคัญนะวางนิ่งนิ่งอย่าให้ลูกในตาหนักนิ้วอย่ากระดกหลยย่ใหญ่ยกท้องไม่เกร็งสบายไม่คาดหวังอะไรทั้งสิน้นอยากจะวางใจนิ่งๆอย่างเดียวเป็นหนุ่มอารมณ์เดียวสาวอารมณ์เดียวเป็นนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิยาอารมณ์เดียว อารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายไม่เบื่อเลยทำได้ไหมลูกนี่ทาได้ไหมต้องทำให้ได้นะลูกนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมืตมดตืมืดมิดเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ตรงนี้แหละหัวเรียวหัวต่อจำให้ดีทีเดียวนะจำ แล้วก็ทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลืมตาเลยดูโน่นดูนี่ถ้เาเบื่อนายเซ้งอารกขึ้นไปบิดเนื้อบิดตัวบิดเส้นบิดสายดูท้องฟ้าดูทิวทัศน์แต่อย่าไปดูโทรทัศน์นะดูทิวทัศน์ล้างหน้าล้างตาสดชื่นเอากลับมาใหม่ ท่านนั่งโรมกันก็ดูคนไหนเขานั่งดีแต่ดูท่านั่งเขานั่งดีนะอย่าไปดูหน้าดูตาโอคนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังเดี๋ยวกิเลสมันฟุง้งนั่งไม่ติดให้ดูแค่หัวเออแม่เขาคงนั่งดีนะตัวตรงตัวตั้งหลังพิงอากาศสงบนิ่งเออ ดูสิเขามีมืออีมือสองมือสินิ้วหันมาดูของเราดูแค่มือพอนะอย่างอื่นไม่ต้องไปดู เ, าเราสองมือสินิ้วเหมือนกัน เ, าเขาทําได้เล้าเขาต้องได้กลับมานั่งใหม่ได้ลูกนะมันนั่งนิ่งนิ่งให้ใจสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สมกับเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่เราลดอายุลงมาเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยจังหวะชีวิตที่ไม่มีความคิดอะไรเลยสามขวบ4ี่ขวบห้ขวบไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วนั่งอย่างสบายๆธรรมะไม่หนีไปไหนมันอยู่ในตัวนั่นแหละ ทั้งดวงทั้งกายทั้งองค์พระอยู่ในตัวเรานะลูกนะไม่จะได้ไปอยู่โลกอื่นอ่างจากปากช่องจมูกถึงสู่กลางกายฐานที่เจ็ดแค่ศอกเดียวนี่แหละแลก็ค่อยๆฝึกไปถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพึงพอใจไม่เบื่อจากความไม่เบื่อนี่แหละมันจะนำเข้าไปสู่ความ สบายและสบายสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใจมันก็นิ่งไม่ซัดายแล้วเพราะมันสบายสบายกายสบายใจใจสบายกายสบายมันก็นิ่งนิ่งเฉยเดี๋ยวมันก็นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งน่งในนิ่ง ทั้งไหนกระช่างมัน น, น, น, น, น่นิ่งไปก่อนลูกนะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวสบายสบายเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ความสว่างมันจะมามันจะไปมืดได้ตลอดชาติยังไงมันจะมาสู้คนทำความเพียรอย่างถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เราเพราะเรามีความเพียร และทำถูกวิธีเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเลยอย่าลืมนะลูกนะสบายสบายจะได้ไม่เบื่อไอ้สบายนัน่งนายิ้มยิ้มอย่าไปตรึกละเอียดไอ้แตะแตะเบาเบาแตะแผ่วๆเดี๋ยวมันจะขยาย สนุกกันใหญ่ตัวขยายใจขยายแสงสว่างขยายดวงแก้วดวงธรรมขยายใสยบริสุทธิ์องค์พระขยายใสยบริสุทธิ์เดี่ก็เข้ากลางของกลางไปได้เองอย่างนี้นะลุงนะ เราเหนื่อยเราง่วงวเราเพลียนังแล้วมันจะตึงก็ปล่อยให้มันหลับอยู่ในกลางกายเมื่อยก็ขยับเบาๆฟุ้งหยาบก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ถ้าฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตาเะจ๊ะทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้ เดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็หนีหายไปหมดเลยให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกๆคนนลูกนะต่างคนต่างทากันไปเหยียบ